บันทึกที่4ความหมายตามแบบแผนของไตรสิกขาไตรสิกขาถ้าแปลาตามรูปศัพท์และตามแบบแผนแท้ๆจะได้ความหมายดังนี้ 1. อธิศิลศสิกขาสิกขาคือศีนอันยิ่งข้อปฏิบัติสำหรับฝึกอบรมในทางความประพฤติอย่างสูง สองอธิจิตติสิกขาสิกขาคือจิตอันยิ่งข้อปฏิบัติสําหรับฝึกอบรมจิตให้เกิดสมาธิอย่างสูง 3. อธิปัญญาสิกขาสิกขาคือปัญญาอันยิ่งข้อปฏิบัติสําหรับฝึกอบรมปัญญาเพื่อให้เกิดความรู้แจ้งอย่างสูง บาลีเดิมแสดงคําจํากัดความตรายสิกขาสําหรับรพระภิกษุเท่านั้นคืออธิศิลสิกขาเท่ากับปาติโมกขสังวรศีลอธิจิตสิกขาเท่ากับฌานสี่อธิปัญญาสิกขาเท่ากับการรู้อริยสัจบ้างการประจักษ์แจ้งเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติที่ไรอสวะบ้าง คำพีปฏิสัมพิธามักให้ความหมายกว้างๆมุงเอาอาธิศีลที่ความสำรวมหรือสังวรอธิจิตที่ความไม่ฟุ้งซ่านอาธิปัญญาที่ความเห็นหรือเข้าใจถูกต้องส่วนวินัยปิดกอธัธกถากล่าวว่าศิกขาสามนี้มีใจหมายเอาเพียงศีลห้าศีลสิบสมาบัติ8ปหรือความเข้าใจตามหลักกรรม ทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วเท่านั้นเพราะศีลสมาธิปัญญาขั้นนั้นพระพุทธเจ้าจะอุบัติหรือไม่ก็ย่อมมีผู้สอนได้แต่สิกขาสามหมายถึงศีลสมาธิปัญญาชนิดที่มีขึ้นต่อเมื่อพระพุทธเจ้าอุบัติเท่านั้นคืออธิศีลเท่ากับปาติโมคสังวรศีลอธิจิตเท่ากับ ิประกอบด้วยสมาบัติ8ที่เป็นบาตแห่งวิปัสนาอธิปัญญาเท่ากับวิปัสนาญาณที่กำหนดไตรลักษ์ได้ในความหมายสูงสุดท่านถือว่าศีลสมาธิปัญญาขั้นโลกุตระจึงจะเป็นอธิศีลอธิจิตอธิปัญญาแต่ความหมายอย่างนี้คงใช้ในกรณีจงกัดมาก บางครั้งท่านผ่อนลงมาว่าศีลที่ผู้ประสงค์นิพพานสมาทานจะเป็นศีลห้าหรือศีลสิบก็ตามก็เป็นอธิศีลสมาบัติ8ก็เป็นอธิจิตโดยเฉพาะเมื่อพระพุทธเจ้าตรัสเกี่ยวกับอธิศีลสำหรับขา้ารหัดเช่นในอังคุตระนิกายอัตถกะถาจะอธิบายว่าหมายเพียงศีลห้าหรือไม่ก็ศีลสิบ บางครั้งคำว่าอาธิก็หมายเพียงว่ายิ่งกว่าหรือสูงกว่ากันโดยการเปรียบเทียบเช่นศีลสิบเป็นอธิศีลเมื่อเทียบกับศีลห้ารูปาวจะราจิตเป็นอธิจิตเมื่อเทียบกับกามาวัจราจิตเป็นต้นก่าวโดยสาระ ก, ก็คือศีลสมาธิปัญญาที่ปฏิบัติถูกต้องตามหลักการของพุทธศาสนา เป็นไปเพื่อความก้าวหน้าในการปฏิบัติธรรมส่วนการจัดองค์มัคเข้าในตรายสิกขาท่านแสดงไว้ในวิพังอัตถกถาและในปฏิสัมพิธามัคอัตถกถาเหมือนกันกับที่จัดเข้าในธรรมขันธ์สามในสมัยอัตถกถาท่านนิยมแสดงสิกขาสามในแง่ที่เป็นระดับขั้นต่างๆของการละกิเลส คือหนึ่งศีลเป็นวิติกมามปะหานเป็นเครื่องละวิติกมามกิเลสคือกิเลสอย่างหยาบที่เป็นเหตุให้ล่วงละเมิดออกมาถึงกายวาจาสสมาธิเป็นปริยุทธานะปาหานหมายถึงเป็นเครื่องละปริยุทธานักกิเลสคือกิเลสอย่างกลางที่เรารุมอยู่ในจิตใจ ซึ่งบางท่านระบุว่าได้แก่นิวรห้าสาปัญญาเป็นอนุสยะปะหารหมายถึงเป็นเครื่องละอนุสยะกิเลสคือกิเลสอย่างละเอียดที่แอบแนบนอนคอยอยู่ในสันดานรอแสดงตัวในเมื่อได้เหตุกระตุ้นได้แก่อนุสัยเจ็ด นอกจากนี้ท่านยังได้แสดงในแง่อื่นๆอีกเช่นศีลเป็นตระทังค้าปรารานสมาธิเป็นวิขังพนาปรารานปัญญาเป็นสมุเทเฉทปรารานศีลเป็นเครื่องละทุจริตสมาธิเป็นเครื่องละตัณหาปัญญาเป็นเครื่องละทิฏฐ ดังนี้เป็นต้น